อย่าใช้มนไล่ผีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์เช่นบทกันผีมนไลผ่ผีมันไม่มีความหมายอะไรสําหรับพูดผีปีศาจเช่นอย่างพูดผีปีศาจที่มันเข้ามาสิงคนพวกเป็นผีเข้ามาสิงคนเนี่ยมันเรียนมนไสยศาสตร์จบมาแล้วมนไลผ่ผีมนขับผีมันไม่กลัวมนป้องกันมันก็ไม่กลัว มันกลัวแต่คนผู้ทำความดีบทสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมตตาพรหมวิหารเป็นจุดยืนของการทำความดีเราสวดไปแล้วผีมันไม่กลัวแต่พอได้ยินคำว่าสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุพอมันได้ยินมันก็นึกว่าอ้อท่านผู้นี้มาดีไม่ได้มาร้ายเราไม่ควรเบียดเบียนท่านผู้นี้แล้วมันก็ไม่เบียดเบียนเรา ตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์มาบางทีมีผีเข้าสิงคนเขาเอามาให้หลวงพ่อไล่พอมาถึงก็หลวงพ่อไล่ผีให้หน่อยเอาเกิดมาไม่เคยเห็นผีสักทีจะให้ไปไล่มันยังไงเขาบอกว่ามันเข้าสิงคนน่ะเอาถ้ามันเข้าสิงคนไปหาหลวงตาอยู่หลังวัดไปเขาก็พาไปหาหลวงตาองค์นั้นพอไปถึง หลวงตาก็เริ่มต้นสวดคาถาขับไล่ผีพอขึ้นต้นมันสวดจบไปก่อนหมดทุกบทจนกระทั่งหลวงตาไม่มีมนที่จะท่องแข่งกับมันมันก็เลยชี้หน้าด่าเอาหมดภูมิแล้วเหรอมีอะไรจะมาท่องแข่งกันอีกลงผลสุดท้ายมันก็ด่าเอาบวชเป็นพระต้องเรียนธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบวชเป็นพระแล้วมาเรียนมนต์ศยศาสตร์เนี่ยตายไปเป็นผีใหญ่นะมันว่า เช่นอย่างข้าพเจ้าเนี่ยเคยบวชเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอาจารย์สอนให้ท่องแต่มนเวลาภาวนาก็ให้ท่องแต่มนจิตมันก็สงบสว่างไปได้เหมือนกันรู้กระทั่งวันเวลาที่ตัวจะตายพอรู้ว่าตัวจะตายรีบท่องมนเข้าสมาธิจิตมันก็สว่างสว่างสว่างไปพอวิญญาณออกจากร่างแล้วมันมืดมิดมองหาทางไปไม่มีมารู้ตัวเอาต่อเมื่อมาเกิดเป็นผีจึงได้มารู้ว่าอ้อ ที่เราได้มาเกิดเป็นผีเนี่ยเพราะโทษที่เรียนมนตรายศาสตร์มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเมื่อบวชเข้ามาแล้วให้มันเรียนธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าไปเรียนเวทมนต์คาถาถ้าใครขืนไปยึดมนต์คาถาเป็นสาระที่พึ่งตายไปเกิดเป็นผีใหญ่หมดที่มาเนี่ยไม่ได้มาร้ายจะมาขออาศัยร่างไปกราบหลงวงปู่พุทธสมัยเป็นคนได้เคยขโมยของท่านจะไปให้ท่านอาโหสิกรรมให้มันว่า ทีนี้หลังจากที่หลวงตาไล่มันไม่ออกเขาก็พามันย้อนกลับไปหาหลวงพ่อที่กุฏิพอไปมันก็ไปนอนพังภาพอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อกะเทศให้มันฟังเจ้าเป็นวิญญาณพูดผีปีศาจร้ายเข้ามาสิงกายมนุษย์ทําให้จิตใจเขาไม่เป็นปกติไม่เป็นอันธำมาหาเลี้ยงชีพเจ้ากาลังสร้างบาปจะลงนรกนะเจ้าเป็นผีใหญ่มันก็ทุกทรมานพอแรงแล้วยังอุตส่าห์จะมาสร้างบาปสร้างกรรมลงนรกอีก มันก็จะยิงหนักเข้าไปอีกหรือว่าเจ้าทำผิดอะไรต่อข้าข้าเอาโหสิกรรมให้หมดไม่ให้เจ้าเป็นบาเป็นกรรมบุญกุศลสิ่งใดที่ข้าบำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตตั้งแต่เล็กจนแก่ข้าขอประมวลมาอุทิศให้เจ้าเป็นผู้มีส่วนเจ้าจงอนุโมทนาบุญกับข้าแล้วไปดีถึงสุขเสียขาดคำผีออกทันทีพอผีออกเจ้านั้นก็ลุกปุ๊บปั๊บเดินหนีไปเลย เ, เราก็อดที่จะนึกตามหลังไม่ได้ว่าอ้อมีนามันไม่รู้จะกราบพระกราบเจ้าดังนั้นผีจึงได้เข้าสิงมันอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ได้ประสบมาเพราะฉะนั้นใครเอามนุมาให้ว่ามนุนี้กันผีปอบอะไรอย่าไปสนใจบทอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนพรมวิหานี่แหละเป็นคาถากาันผีปอบได้อย่างดี ถ้าเรายึดมั่นในบทสวดนี้อย่างแน่วแน่เวลามีผีเข้าสิงคนเราไปเทศให้มันฟังอย่างที่หลวงพ่อเทศให้ผีมันฟังแล้วมันก็จะออกแต่ว่าอย่าลืมให้ส่วนบุญส่วนกุศลเขา